วันนี้ไม่ได้รับความสำเร็จมาฮะความสักร็นี้ผมามม ก, มกมาคอยเดี๋ยวจเที่ยวจะมาอยู่ผมเนี่ยท่านควงจะไปไหนมาไหนท่านควงชอบ ยุ่งกับญาติโยมนะนิสยัยนีเราไปพักอยู่อาศมมันด้วยมันได้ดูตลอดเวลานะั้นชั้นหนึ่งหันแล้วก็เข้าตลาดแหละไม่ทราบว่าเวลาเท่าไหร่ทีปลูกมาเป็นประจังนะจนเราได้เอกใจนี่ยังไงไป้ทัานนี่เรายังไม่ นั่นก็ยังมีประเภทหนึ่งเคยมาอยู่นี่แล้วไปเป็นอย่างนั้นไม่ได้เลยนะม่สบายอใจเป็นอย่างนั้นทมันถึงไ ม, ไม่ได้เป็นการมาปฏิบัติธรรมะที่ถือกิจการนักตะกีออกมาถึงภายนอกกายวิชามันเป็นเรื่องของ สางสมที่เป็นจนเป็นครั้่งให่ครัาลพรมาปฏิบัติพระชนรัก่งใ่มาปฏิบัติ<ม>สร้างา<ม>พวกเรา ท่าน mm hmm. มืกวัมออกมือบบกมือมาเรียกมาอย่างนั้นทำไวุงเลียววุ้งเลี้ยวเหมือนทวัี้หลอกนั่นดูิ่งแสดงว่าอาการของท่านทุกอาการมีาอาการต่อสู้ตบต่อยกัวกิเลสห้าฟันี่เลสคนนั้นตีใทยเป็นเสียงสงบไ ม, ม่แสด้อาการวเรกเลี้ยวเลี้นมาคืออะไรคือความมีสติของท่าน รักษาความสงบภายในของท่านและรักษาความสงบเพือ่อหมู่เพื่อนอยด้วยเป็นกิจยาของท่านอย่างนั้นประจังท่านสอนอย่างนั้นประจังดังนั้นเราก็รู้เลยว่ามันต่างกันอย่างไรบ้างดูที่ในตําหนันกตรงยาตรงไหนว่นาเที่ยวยุ่ง น, น, น, น, น, น, นั้นเที่ยวยุ่งอานี้ที่ก่อน่านเที่ยวสร้างนี้น ติดต่อเขายากกับดวงเรืนเร่รนอะไรนั่นพูดการบ้านการเมืองยิ่งไปหนึ่งมีกี่พูดตรงไหนมีนึ่งแต่เรื่องค่าพิเศษนี่เล่าเรื่องของพระค่าพิเศษนั่นเรื่องของพระผู้ชนะทพิเศษไม่ใช่เรื่องของพระที่ให้พิเศษเตียวเตียว แล้วเม่เราเรื่องของพระว่าได้หมอบราบหมอบราบเพราะที่เลติ ย, ตยมีที่ไหนพวกเรามันได้แบบมาจากไหนมาใช่กันนมีแต่แบบหมอบราบหมอบราบแบบเรียกตะโนเรียกที่ดึกว้เวทโว้เว้ตะโนเรียกข้าศิมันจะศุกตามป้าฟัตร้าศาาึ จ, จ, จ, จ, จุ่มจ่จุ่มจ่าจุ่มจ่าม่กางวันไม่ไมวา่เาเวลาไหนนั่รู้กาิเรุ่มจ่าจุ่มจ่าอย่างนั้นหละดูสิเจ้าของรูไหมนะในที่แร้ววิทยาอย่างนี้หละมันเป็นวินยาของกิเรต ท, ทางานมันพาการู้ออกทำให้รถ้าเป็นวิทยาของทางานจะเป็นดังที่ทางเขียนเรื่องในแบบนั้สํำหรับตำรานี่ยไม่ผิด นั่นหลังดูเราแบบฉบับท่านค่าที่เล็ดท่านค่าอย่างนั้นแบบแบบฉบับพวกเราที่ใหที่เด็ด่าเอาข้าวอย่ออย่างที่เป็นทุกวันนี้ดออกรู้ไหมเราวิญญาณมันเป็นยังที่เ็ดาเอาฆ า, า, า, ามันเป็นเรื่อง่าอยู่หมมสอนยังมี ไม่มีอะไรจะสอนสอนหนังส่งเพื่อนักสอนเอาใจจากความีแน่ใจด้วยเด็กเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นลยก็เคยถูกตกิเลสตบต่อยมาแล้วก็เคยม า, ยา จ, จากโชคชนแต่เขาปัจจุบันนี้ต้จะบวชมาอยู่ผมบวชมาเพื่อจะหันหน้ามองดูกิเลสไม่เอาหัวให้กิเลสตีเอาเดียวยังระยะเริ่มบวชมา แล้วออกปฏิบัติมันก็พ อ, อปลาแล้วทำไมจมพูดอย่างนี้ไม่ได้ไม่ถูกน่าต่อสู้พทุกมากทุกน้อยมังก็รู้มาเรืองเนะี่ยรู้รู้กครานตรู้เจ้าของเป็นมาเองฮะจีดแต่ังไม่ไดไม้มีทางที่จะสู้พิษเพรมันหนามันแน่นกาลังมันเนยอย มากเหมือนคนมาเหนือเมฆเราเหมือนหูตัวหนึ่งหมอบค่อยี่ดินโล่งๆแจ่งๆ <c ười> มาขึน้นมาอาสายขึ้นมาจนกระทั่งตื่นจนถึงหลับความเผลอสติง้มันเผลอตรงไหนมันไม่เห็นในนี่งก็เป็นนล่นแน่แท้ว่าสติประเภทนีน้ปัญญาประเภทนีน้เป็นปัญญาประเภทใด มันก็แม่มีที่เด็ดตัวไหนที่จะมาเพ่นพ่านมันไม่มองเห็นเลยแต่ที่เห็นมันฉลาดมันละเอียดแหลมคมธรรมปติปัญญาไม่ฉลาดแหลมคมมันก็ไม่ขันของที่เด็ดประเภทนั้นแหละมันจะมาค่าเรมันมาข อ, ขอาะกบขทาวไ้ต้องคุยเกี่ยวขดค้นหากันจนนี่ก็เป็นนามุนกว่าเป็นเกี่ยวมันก็เป อก็อเ็กเดกเดกเกิดนะจนี่นเดือยากเกินมูกระันาะใความอยากให้รู้อยากเข้าใจเอาจะมาทั่งกี่เลยมันไม่ปรากดเลยเรียบต่อหน้าต่อตาต่อใจให้เห็นกระจับมันก็เป็นต่ว่าไงถึงขนาดที่ว่าเฮ้อโอ้โหทำอยู่ที่นี่เหรอทำอยู่ที่นี่ เป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้มันอกทานจนมันใจแล้วไปหาทํามหาที่ไหนเนี้ยหาที่ไหนแต่กดสภพานไหลขึ้นปากขึ้นเขาเราก็ไม่ทํานี้การดําเนินอย่างนั้นในขั้นนั้นแต่มาพอมาถึงขั้นนู้นมันกลับเห็นมาไปโน้มไปโน้มเหมือนกับมองโดยไกลเลี้ยเสียตัวยิ่งเด็กกัทำจริงๆมันอยู่ที่ตรงใจเมื่อเรามันประจักษ์อย่างนี้ทำที่ไหนยิ่งเด็กอยู่ที่ไหน แบบกดสะพายบาทขึ้นไปมูนไปนี่ความคิดแท้แท้ที่เด็ที่ไหนทํที่ไหนมักผลนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนคำว่าอยู่ที่ไหนก็คือมันกรรมันมือเท่านั้นนี่นก็เป็นมาออกมาสอนเพื่อนนันก็ยังไม่ถึงใจเหมือนที่เล็กเข้าย่ำดีในหัวใจเลยหรือพี่เล็กเข้าย่ำดีในหัวใจวมันั่งดูดื่ ม, มหรือ ไม่เห็นโทษมันบ้างหรือม่ต้องดื่ดึงต้องไม่เข็นไม่หลับยัได้มันกล่อมให้มันเหยียบมันเหเอาอะไรมาให้มันเหยียบน้่งหนาไรอย่างนี้ใจก็มีดวงเดียวได้ไปขนขวายอะไรมาให้มันดเหยียบได้ย่ำนั่งหนาเหยียบวันไหนย่ำย่ำวันไหนแหลกอันไหนหอดน่ก็คือใจดวงเดียวนี่เไม่มีการเปลี่ยนหลัไม่มีทักใจบ้างหรือ รลกมันเหมือนกับคุณกับไฟมันเผาตลอดเลยยังหน้าเรื่องเดิมมันถึนลคนามน้ำความมีสตสูตจากอะไรจากิยาแต่นั้นมันเรื่องของกิเลสทั้งมวลมันเป็นเรืได้เร่องดันบ้าทติกับตังมันมีทัศน์ไม่อยู่กับตัวนั่นแหละคือเปิดทางให้กิเลสเข้าแย่ย่ำพนาอีกครั้ สตีกับตัวอย่างน้อยก็ไม่สั่งสมไม่เปิดทางมากกว่านั้นกับเป็นอะไรไม่ค่าพิริศดู ก, กับความมีสติความมีปัญญาปัญญานำมาใช้สิหูต้งแกงกินได้เือะปัญญาโมกิริศเอาเรามาใชม้มันมันเอาได้รวดเดีเนาะ ช่ยมากช่วยมากจับปุ๊บตรงไหนติดตรงนั้นจับปุ๊บตรงไหนติดตรงนั้นล้วจับสติปัญญามา่ากิเลสทำไมมันจัไม่ติดนี่เป็นน่นาเป็นปัญหาเด็กตัวสำหรับนักปฏิบัติแล้วดูยิ้มไฟังมาอย่างถึงใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำไมมันเป็นแ ง, ง, งุ่มงามๆอยู่ละ่ะนี่มันน่าคิดไห ม, ม, มนี้กอยู่ที่หัวใจที่รู้ดีแ่แท้ๆๆมันอยู่ที่น ความหลุอพ้นพ่าชัยชนะมันก็อยู่ที่ตรงจุดเดียวกันนี่พี่แจติปัญญาก็ขุดค้นขึ้นมาได้จากที่นี่ที่กิเลสมันขุดค้นอุบายของมันมาหยาดย่ำหงายเรามันก็ค้นออกมาจากที่นี่เอามันเกิดที่นัมันมีที่นั่น่ติปัญญาเป็นสิ่งที่เกิดได้มีได้ตามหลักธรรมที่เราสอนไว้ว่ามีอยู่ที่นั่นแม่ใครเป็นผู้สอนว่าอย่างนี้ไม่ใช่ศาสตราอ์เอกจะเป็นใคร ไม่ได้ทลยไม่รูกเลยอืม